กลาวนมาสการพระจานทร์ออดและท่านพลอยแล้วก็หลวงกาว้างนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อลงข้อได้มาตรงประเด็นครับชื่อว่ารู้ให้ถูกตัวนะครับผมก็มานึกถึงบทสวดตอนทําวัดเย็นบทหนึ่งครับที่เขากล่าวว่าแต่แต่ผมจะพูดในคํำแปลนะผมจะอ่านให้ฟังในคําบาลีผมไม่ถนัดนครับเราลองฟังแล้พิจารณาร่วมกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อเรายังไม่พบยาน ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสองสารวัตในเอกชาติสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบ ก, การเกิดทุกคราวเป็นทุกขล่ําไปนี่แนะ่ในช่างผู้ปลูกเกลือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้ากระทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดเจ้าหักเสียแล้วยอดเรือนก็ลือเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาก็คือพันธิพันธ์ซึ่งตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากแล้วรู้สึกว่าน่าจะตรงกับเนื้อหาทีือว่ารู้ให้ถูกถูกตัวนะครับนั่นแหละคือจริงจริงเรื่องยานน่ะนะถ้าคนที่เรียนทางบาลีทางอาภิธรรมอะไรก็คงเข้าใจดีแต่ถ้าหลวงพ่อเนี่ยเข้าใจ เ, เึียงี๋ยว่ายานเนี่ยคือเป็นเป็นสภาพธรรมะ ที่มันมันพ้นออกไปคือมันเป็นสภาพรู้เป็นสมะเป็นสภาพธรรมะมีความรู้แต่มันรู้คือรู้อะไรก็คือรู้ขนันห้ารู้ตัวเราก็เป็นสภาพที่พ้นเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับขนันห้าไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับตัวเราเมื่อรู้เนี่ยถ้าอุปมานะถ้าอุปมาหลวงพ่ออุปมานะอันนี้ไม่ใช่ของจริงแต่อุปมาเพื่อให้เห็นภาพว่ายานเนี่ยอุปมาเหมือนดาวเทียมสมมุตินะอ่า คือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีโลกใช่ไหมแล้วในบนโลกเนี่ยก็มีดินน้ามีภูเขามีแม่น้ํามีทะเลมหาสมุทรมากมายเลยนะแต่ถ้าสมมติเราอุ ป, ปมาว่าเราเนี่ยถ้ายังอยู่ในโลกเนี่ยเราเห็นอะไรไม่เยอะหรอกไม่ไม่ไม่เห็นแบบทั้งโลกเราจะไม่เห็นทั้งโลกแต่ถ้ามีดาวเทียมเนี่ยซึ่งมันอยู่นอกโลกเนี่ยยิ่งมันห่างไกลไปเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งเห็นโลกชัดเนาะแล้วมันก็แยกแยะได้ระหว่างโลกกับดาวเทียมว่าโลกก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง ดาวเทียมก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งดาวเทียมไม่ได้เป็นโลกโลกก็ไม่ได้เป็นดาวเทียมแต่ดาวเทียมเนี่ย ม, มันมีก็เรียกว่ามีดวงตามีตามีตานะเป็นเรดาร์ก็สามารถรู้แจ้งโลกแค่รู้แจ้งโลกไม่พอนะมันก็ยังรู้ดวงอรู้อย่างอื่นได้ด้วยอีกเนาะเพราะว่ามันมีมีตานะมันมีตาเป็นเรดาร์รู้หมดเพราะฉนั้นคําว่ายานเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คือหลุดออกมา แล้วก็หลุดออกมาเสร็จก็เห็นแจมแจ้งรู้แจ้งเลยรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เป็นยานวิมุตเป็นวิมุตติยานเป็นปัญญายานเป็นอะไรแล้วแต่ภาษาสมมติบัญญัตินะแต่ว่าที่หลวงพ่อพูดตรงนี้เพื่อเราไม่ได้มีความรู้ถึงขนาดนั้นแต่เพียงแต่เข้าใจได้เลยว่าถ้ารู้ตัวเราเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนดาวเทียมที่สามารถรู้กายรู้จิตรู้เวทนารู้ธรรมะที่อยู่ในตัวแล้วก็พ้นออกไปจาก สิ่งพวกนี้ทั้งหมดคือพ้นหมดนะเพราะว่ามันมีเป็นธรรมะเป็นสับเป็นธรรมะที่มีสภาพเป็นเอกลักษณ์อะเป็นเฉพาะตัวไม่หลงพลเปไปกับอะไรแล้วในญาณเนี่ยหาทุกหาสุขไม่มีเนาะเพราะว่าเป็นความพ้นไปแล้วพ้นจากความปรุงแต่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อสอนให้รู้ตัวแล้วก็ยกตัวอย่างมากมายเนี่ยอันนี้แหละคือญาณเพราะว่ามันตามที่อธิบายแล้วว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราไปแล้วแต่มันพ้นไปแล้ว อย่างนี้จะเรียกว่ายานแต่ยานมากยานน้อยอันนั้นก็แล้วแต่คุณภาพที่การฝึกฝนว่ามีความชานาญไหมมีการรู้ตัวเราอย่างแจ่มแจ้งไหมจะเดินจะนั่งจะ น, น, นอนรู้แจ่มแจ้งไหมเห็นแจ่มแจ้งไหมเออเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยมันเห็นแว๊บแวบแวเนาะเมื่อมีความชํานาญเนี่ยมันก็จะเห็นมากขึ sales, yeast, ้นชํานาญมากขึ้นเจิดจ้ามากขึ้นแล้วก็ยิ่งยิ่งไม่หลงอ่ะเขาเรียกว่ายิ่งไม่หลงยึดนะยิ่งไม่หลงยึด นะหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างอุปมาอุปมัยน่าจะพอเข้าใจได้นะครับคบนิมัสการหลวงพ่อท่าอาจารย์พอใแล้วก็ทุกท่านนะครับก็ในเรื่องของรู้ให้ถูกตัวนี่ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจถ้าผู้ใหม่เข้ามาก็อาจจะมีความรู้ว่ารู้อะไรระใครรู้และให้ถูกตัวนี่คือยังไงคือทุกคำนี้จะจะไม่มีความเข้าใจในในแต่ละคำเลยว่ารู้ให้ถูกตัวนี่คืออะไร ถ้าหลวงพ่อได้อธิบายขยายความเมื่อกี้ก็จะเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่เรารู้ถ้าเรารู้ก็คือว่ายังไงมันก็ยังเป็นเรารู้แล้วก็เป็นเรารู้ตั้งแต่เกิดมาจนจนตายไปก็เป็นเรารู้ตลอดครับเมื่อกี้สัญญาณไม่สเสถียรก็ก็เป็นเรารู้นะครับ และการเป็นเรารู้แบบนี้นะครับมันก็ยังไม่ถูกตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเรื่องของปัญญาญาณหรือเป็นเรื่องของจิตเดิมแทหรือเป็นเรื่องของธรรมชาติรู้ที่ที่มารู้ตรงนี้ครับมันสำคัญกว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราจะพูดยังไงเดี๋ยวครับคือประสบการณ์ที่ทามาที่ศึกษามานี่มันจะไม่เห็นอย่างนี้เลยมันจะเห็นว่าเออเป็นเรารู้ทุกอย่างเราอาการของความเจ็บ เรารู้อาการของการบ่วยเรารู้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนกับว่าเราเป็นฝ่ายรู้หมดทุกอย่างถึงขนาดว่าไปปฏิบัติจนว่าเราคิดว่าเราเก่งแล้วคือเราสามารถแยกรูปแยกนามได้เราสามารถแยกว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเราแยกได้และเราสามารถเราเราคิดว่าเรานั้นเก่งในการที่จะดูเวทนาที่เกิดขึ้นทางร่างกายได้ ซึ่งตรงนั้นนะครับมันก็ติดมันติดอยู่นะมันติดว่าเรารู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ผมฝึกปฏิบัติช่วงนั้นนะครับที่ฝึกนั้นครับผมก็เห็นอาการที่เดินเดินเดินเดินจนเห็นอาการปวดเมื่อยของของของขาของแขนของอะไรที่ยกมือนานๆ น, นะครับแล้วผมก็เห็นว่าเออเรานี่เก่งนะคือปวดเมื่อยเราก็สามารถที่จะทนต่อการปวดเมื่อยนั้นได้แล้วพอทําต่อมาต่อมาเรากลับถูกความคิดหลอกไปอีกว่า ไอ้ความปวดเมื่อยนี่เป็นสภาวะรู้เป็นฟุททะเป็นปัญญาซึ่งตรงนี้มันถูกความคิดซ้อนหลอกไปแล้วว่าเราเก่งเรามีมานะเรามีทิฐิเราไม่รู้มันกลายเป็นว่าที่ทำมาทั้งมาทั้งหมดสนองความอยากและสนองความความหลงผิดต่อเมื่ อ, เ, อ, อเลิกปฏิบัติไม่ทำอะไรแล้วนี่ครับจะมาเห็นว่าชีวิตปกติมันมันดีกว่ามันสบายกว่าแล้วก็ แล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายในเรื่องแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันก็ยังเป็นเราสบายแต่พอมาเจอหลวงพ่อเนี่ยครับมารู้จักคำหลวงพ่อที่เป็นถูกรู้โดยเฉพาะตัวเราถูกรู้มาไหร่นี่ครับมันจะอีกอีกมันมันคนละเรื่องกันเลยครับมันกลับตาลปัดเพราะว่ามันมันเริ่มเห็นความจริงว่าที่ผ่านมาเรารู้แต่ไม่เคยเห็นเลยว่าเราถูกรู้นี่เป็นเช่นไรดังนั้นคาพูดหรือว่า ประโยคที่ว่าเราถูกรู้นี่มันมันเหมือนวัคทองที่ทําให้เห็นความจริงอีกนี่มีจีหนึ่งว่าตลอดชีวิตของสังสารวัตเป็นเราแต่ก็หนีเราไม่พ้นแต่ตาใดก็ตามที่เราถูกรู้เนี่ยมันพ้นเราก็ยิ่งมั่นใจอีกว่าหนทางนี้มันเป็นหนทางที่ประเสริฐโดยแท้ครับกขอบคุณหลวงพ่อครับเ อ, อเดี๋ยวหลวงพ่อขอนําอีกนิดหนึ่งนะเพื่อให้พวกเราได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นแนวทาง เป็นจุดต้นที่จะให้รู้เราเนี่ยเพราะว่าจับทางเริ่มต้นได้แล้วเดี๋ยวให้เหมือนกับว่ามันจะพัฒนาไปเองจะพัฒนาด้วยด้วยประเด็นที่มีเป็นจุดเป็นประกกายเนี่ยเป็นจุดเริ่มอะนะจุดติดเ ร, เรียกว่าจุดติดอ้าวหลวงพ่อยกตัวอย่างของหลวงพ่อแล้วกันให้โยมเห็นท่านเนาะจริงๆที่กุดหลวงพ่อเนี่ยก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าขับเท้าเนะหลวงยืนดูไอ้จริงจกที่มุงลวดเนี่ยเนาะมันก็มีหลายตัวเนาะอ่า หลวงพ่อก็ยืนดูจิ้งโจกอยู่พอดูไปดูมาอา้าวหลวงพ่อกําลังอธิบายนะพอดูไปดูมาเสร็จแล้วคือหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนเห็นจิ้งจกแล้วก็พอดูไปดูมาเสร็จแล้วกลายเป็นว่ารู้ว่าอ๋อจิ้งจกอยู่ที่มงลวดแต่ตัวหลวงพ่อเนี่ยยืนอยู่ห่างประมาณสักหนึ่งก็เลยรู้จักตัวจิ้งจกแล้วก็รู้จักตัวหลวงพ่อขึ้นมาว่าตัวหลวงพ่อกับตัวจิ้งจกเนี่ยมันคนละตัวกัน แล้วก็มีระยะห่างด้วยนะอ่าแต่ทีนี้พอรู้จักตัวหลวงพ่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีตัวรู้ที่หมใช้คําว่าตัวรู้อ๋อใช้ตัวรู้ไปก่อนเนาะก็ตัวรู้มารู้หลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยกําลังมองจิ้งจบอยู่เนี่ยเลยถ้าเรารู้จักว่าไอ้คือถ้ารู้จักตัวเราแล้วแล้วก็มีปัญญาถึงขั้นที่จะเข้าใจเรื่องสภาพธรรมะที่รู้เราเนี่ยมันจะง่ายไปหมด เพราะว่าทุกครั้งที่ดูจิ้งจกมันก็เห็นตัวเราเป็นผู้ยืนดูอยู่ใช่ไหมเออมันก็รู้เราแล้วก็พอต่อมาเราก็ดูจิ้งจกเออมันก็ระลึกได้บ่อยๆว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้ยืนดูอยู่เนี่ยทั้งมีการยืนไม่ใช่นิ่งหรอกยืนขยับด้วยแล้วก็ระหว่างยืนเนี่ยมันก็ในใจมันก็คิดนึกไปเรื่อยบอกเออจิ้งจกไอ้จิ้งจกตัวนี้กัดตัวนี้ไอ้จิ้งจกกินแมงนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวก็สามารถที่จะรู้แจ้งในตัวเราหมายความว่ารู้ทั้งกายที่เคลื่อนไหวรู้ทั้งใจที่นึกคิด รู้ทั้งอิริยาบถว่ากําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วร่างกายเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีความไม่เที่ยงไงมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวก้มเดี๋ยวยืนเดี๋ยวหันซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เอาหายใจเข้าท่าว่าไปโดยภาพรวมมันนะมันก็มีการเคลื่อนไหวหมดแล้วภายในจิตใจเนี่ยมันก็มีความรู้สึกนึกคิดเนาะมีทั้งความคิดมีทั้งอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายของเราทั้งร่างกายทั้งจิตใจอ่ะเนาะมันเป็นไปด้วย มีแต่สภาพธรรมะที่เรียกว่าเป็นสังขารไม่เที่ยงนะร่างกายก็เป็นสังขารไม่เที่ยงจิตใจก็เป็นสังขารไม่เที่ยงอะไรมารู้ร่างกายอะไรมารู้จิตใจก็คือนั่นแหละที่หลวงพ่อกําลังพูดถึงก็คือเป็นธรรมชาติที่มารู้เราเมื่อเป็นมีธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันจะเข้าใจด้วยปัญญาเลยว่าไอธรรมชาติรู้เราเนี่ยจะเรียกว่ายานอย่างที่โยมเพลินว่าก็ได้จะเรียกว่าเป็นวิมุต คือปัญญาวิมุตต์หรือยานวิมุตต์หรือยานทัศนะแล้วแต่มันใช้ได้หมดเลยเพราะมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างมีลักษณะเป็นธรนองเดียวกันว่าไอสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติรู้เราอะนะมันไม่เป็นเรามันไม่ได้เป็นขันห้ามันพ้นไปแล้วมันพ้นไปพอพ้นไปเสร็จแล้วมันจะเข้าใจเรื่องความพ้นทุกได้ไม่ยากแล้วเพราะว่าสภาพที่พ้นไปนั่นแหละมันไม่มีทุกข์มันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความว่างเปล่า แต่มันมีความรู้แค่นั้นแหละเออพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะพัฒนาไม่ยากเพราะว่าจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเขาว่ามันมันได้ร่องของมันแล้วไงมันรู้จักตัวเราแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาตัวเรามันจะเป็นอะไรนะมันรู้หมดแหละหายใจไม่ออกอึดอัดจะหิวจะร้อนเนี่ยตัวเราโบนตัวเราวอยวายตัวเราอย่างน้นอย่างมันรู้หมดเลยนะทีนี้เมื่อรู้อย่างเนี้เขาเรียกว่ามันยิ่งรู้แจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงไม่ต้องมีคนบอกแล้วเพราะมันรู้เองไม่ต้องจําด้วย ไม่ต้องมาเถียงกับใครเพราะว่าไอ้ที่เถียงเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยไอ้ที่จาก็เป็นสิ่งถูกรู้ไอ้ที่คิดก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันทั้งไม่จํทั้งไม่คิดคือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หมดเลยอ่าอันเนี้ยทีนี้เหมือนหลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้ยมฟังแล้วเนี่ยก็ต้องไปไปลองเนี่ยไปลองดูอะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเข้าใจอ่านะ ครับมาสการหลวงพ่อครับอ่ามันเป็นประเด็นข้อที่ดีมากครับที่ว่ารู้ไม่ถูกตัวเนี่ยอย่างเพลินกับพี่จอมหล่งผมปรึกษาทำมายี่สิบปีเนี่ยมันมันรู้ไม่ถูกตัวเพราะอะไรมันไม่พบยาคือไม่ทบสิ่งที่ใครไปรู้เราอ่ะครับก็ท่องเที่ยวไปในมันนับชาติไปทั่วแล้วก็ที่สําคัญกเมื อ, องหลวง บอกให้ส ก, กิตว่าคือคนเราทุกคนคําว่าวิชาคือความรู้ครับพอรู้แล้วก็ต้องฉลาดเจ้าโมใช่หมครับแต่ฉลาดแต่ขาดเฉลียววันนั้นด้วยเหตุปัจจัยผมไม่ฟังผมพ่อออสตอนหนึ่งที่ว่าลองเข้าไปห้องน้ําสิไปดูซิว่าใครอยู่ในห้องน้ําก็มีโยมเขาบอกว่าก็ไม่ไม่เห็นมีใครเลยอ่ตัวเนี้แหละครับคําว่าไม่เห็นมีใครเลยเนี่ย เพราะอะไรเพราะเราไม่ไม่เจอในช่างผู้สร้างเรียนไงแล้ววันนั้นผมก็เอามุกเนี้ยคุยกับพี่จอมนะครับพี่จอมดูดีๆสิไม่มีใครนะเพื่นไม่มีพี่ดูดีๆสิว่าดูให้ดีนะดูดีๆนะพอดูดีๆนะเนี่ยหมายความว่าเราเข้าไปในห้องเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าว่าตัวเองอยู่ในห้องพอสักพักหนึ่งพอบอกดูดีนะมันเริ่มย้อนครับมันย้อนสอนอะกับมารู้ตัวนะ แต่แรกเราเรารู้อะรู้สิ่งที่อยู่ในห้องเราอยู่ในรู้วตอนหลังก็ ร, ร, รู้ตัวคุณรู้เราพอรู้ตัวปุ๊บสักพักหนึ่งคู่รู้อะสอนให้เรารู้จักรู้จักอะไรครับรู้จักตัวเราเ น, นี่ยแหละที่เราไปรู้นั่นหมายความว่าตัวเราในคือนายช่างผู้ปลูเกเรือนั่นเองเพราะอะไรครับขนาดผมเข้าใจธรรมะวันนั้นอะมันตื่นเต้นมันอยากยิ้มๆก็ไปเล่าพระอาจารย์หลวงพ่อออสเล่าอาจารย์รอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ย ในช่างกู้สร้างเลยนะแต่พันธุตต์พี่พูดตรงๆพี่บอกว่าเนี่ยความรู้ปลอมความรู้ปลอมเนี่ยเราก็ยังมันกิเลสเนี่ยมันมีความอยากครับก็สร้างเรียนอีกต่อไปต่อไปจัหลวงพ่อบอกว่ารู้ปลอมปลอมเนี่ยมันซ้ําแล้วซ้ําไม่มีบรรจบมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนเนี่ยให้เราหยุดในการที่ไปบอกอาจารย์ จงหยุดแล้วกลับมาบอกตัวเองว่าสิ่งที่เราไปรู้เนี่ยใครเป็นคนสร้างเรือนเรารู้จักในผู้ปลูกเรือนดีแล้วหรือยังไม่แปลกใจครับว่าทําไมพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องประเจตปัะจัจต่างวิญญาณชนรู้ได้เฉพาะตนเพราะว่าปลูกเรือนของใครของมันใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างทุกท่านที่อยู่ในห้องครับเท้ า, าเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงรึไหมครับเสียงของเพลินก็เป็นเสียงของเพลินไม่ใช่เสียงของอาจารย์อส พอพี่จอมหรือท่านพลหรือบตากว้างหรือว่าคุณดวงตาเ่ยเป็นเสียงของแต่ละคนที่ว่าได้รับเสียงเหมือนกันแต่จิตคนนั้นในโลกนี้เรารับรู้คนเดียวแต่ขณะที่รู้ขนานั้นนะครับก็เหมือนเราเข้าไปในห้องห้องหนึ่งครับห้องเห็นความรู้ของเสียงใช่ไหมครับเสียงนั้นอ่ะเราได้ยินคนเดียวคนอื่นจะไม่ได้ยินแต่เราแต่เราจะจะสังเกตน้ว่าใครเราไปรู้เสียงตัวนี้มันก็เหมือนก็อยู่ในห้องน้้งครับซึ่งมันมีประโยชน์มากสังเกตไหมครับว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า อารหังก็คือผู้ไกลจากกิเลสท่านไม่ได้ให้เป็นกิเลสนะครับคําผู้ไกลจากกิเลสนั่นคืออะไรครับมันกลาจากสิ่งที่เราไปรู้สังสาระวะคือสังขารทั้งหลายนั้กิเลสแต่ผู้รู้นี่ไม่ใช่กิเลสและอีกครันหนึ่งก็คือว่าโลกาวิทูนก็คือว่าผู้รู้โลคอย่า ง, งแจ้งโลกนั้นคือโลกอะไรสิ่งใดที่เกิดและดับชื่อว่าเป็นโรคคือทุกข์ต่อว่าจะเป็นทางตา โอ้จะมู ก, มกลิ้นกายหรือใจแม้กระทั่งขนาดนี้ฮะทุกท่านก็ยังฟังเสียงสลับกับการคิดนึกเกิดดับปงแต่งสลับไปมาเห็นไหมครับว่าเราจะบางคนจะเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฆ่ากิเลสไม่ใช่ครับคําว่าทาตุกก็คือธาตุไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงหรือจะทําอะไรกับมันได้เช่นถาเห็นก็ต้องเป็นเห็นคุณจะไปทําอย่างแปลงสภาพเห็นไปเป็นได้ยินไม่ได้ใช่ไหมครับก้อนหน้าที่แต่ย่างทำไป แต่ผมไปปักหลักว่าเราอะเราไปรู้เป็นเพราะจิตรู้เป็นเพราะสภาวธรรมจิตเจสิทธะทำหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าใครไปรู้ตรงนั้นพรานนั้นเราเหมือนกับว่าผมอภิธรรมตรงเนี้ยก็ยังมีในช่างผู้สร้างเรียนอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจปุ๊บเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งใช่ไหมครับผู้เจ้างบอกว่าอนุตตลโวปูริสธรรมสาระทีเป็นผู้ที่สามารถฝึกรุนที่สมควรสุดได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า คำว่าผู้ที่สมควรฝึกคืออะไรครับไม่ใช่ว่าผมบอกเลยครับว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่สาธารณะสาหรับทุกคนนะครับต้องสะสมมาก่อนในจิตชาติหรือสะสมบุญเก่าแต่ฟันก่อนบางท่านฟังแล้วไม่กี่คำบรรลุธรรมบางท่านฟังมาเจ็ดสิบแปดสิบปีก็เข้าใจคำอย่าลืมนะครับว่าแสงอาทิตย์เนี่ยส่งมาทวีพื้นแผ่นดินทีเนี่ยแสงส่องไปเนี่ยแผ่นดินไม่เท่ากันนะครับไปดูเลยในโลกนี้ มัต่ำลึกไม่เท่ากันแต่ดีที่ได้บินธรรมที่ส่องไปแต่บุคคลนั้นจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ว่าบุคคลนั้นด้วยปัญญาของตนเองเรื่องปจัจจต่างครับครับขออนุญาตแชร์ตรงนิดนึงว่าอ่ากับผมเองนะครับจริงๆแล้วก็มีความเห็นอยู่ว่าเวลาใครจะส่งมาหรือแชร์อะไรมาต่างๆน่นะครับบางทีมันเป็นข้อธรรมะที่ ที่มีประโยชน์แต่บางครั้งนั้นครับถ้าปิดใจเสียแล้วนี่ครับวันนั้นที่น้องเพลินส่งข้อความมาหรือว่าเออเป็นรูปของทานาจารยโอ๊ตหรือเป็นเป็นคลิปวิดีโอพวกนี้นะครับถ้าผมปิดใจวันนั้นผมไม่ไม่คลิกเข้าไปดูนะครับวันนี้ก็ไม่มีวันนี้ครับเพราะว่าผมมันเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับแนบแน่นกับวิธีการปฏิบัติแบบเดิมๆคื อ, อพธรรมแบบเต็มร้อยแล้วก็คือทาอะไรเป็นคนทาจริงอ่ะครับ มันถ้าถ้าศึกษาอะไรก็ต้องต้องเอาแบบก็เขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามเทเกินรอยดัยงนั้นถ้าพูดกันง่ายๆว่าคนที่ที่พธรรมทีศ่ศึกษามาสี่ห้าปีแล้วก็กำลังอยู่ว่ากำลังตไตรตรองว่าเออิธรรมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกว่ารู้ให้ถูกตัวนี้ถ้าปิดใจบอกว่าเออมันไม่มีตัวเราหรอกทางหัวข้อนี้น่าจะไม่ไม่ไม่โอเคแล้วก็ไม่ฟังเลยปิดใจ ก็ถือว่าโอกาสของการรู้ความจริงนี่ก็จะพลาดไปเลยแต่ว่าน้องเพลินก็ได้ถามแล้วก็ก็ได้เห็นประโยชน์ว่าเออขณะนี้มีใครไหมในห้องบอกไม่มีในขณะที่เพลิดตอบว่าไม่มีนั้นครับแล้วดูดีๆนะคําว่าดูดีๆนะเป็นคําธรรมดามากเลยสามัญมากเลยดูดีๆนะก็มาไตร่ตรองว่าเออมีเราเลยผข้าใจว่ามีเราคนนึงด้วยเพลินและทําให้เห็นว่าเมื่อกี้เผลอไปอ่ะ พอคิดพอรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปนั้นมันกันว่ารู้สึกตัวแล้วดังนั้นสิ่งที่เขาเตือนเราเป็นกิรยายมิตรเราตอนนั้นเราส้ำเนียกขึ้นมาเลยว่าโอ้เวลาเผลอเป็นอย่างนี้เวลารู้สึกตัวเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มที่จะไต่รองว่าเขาก็พูดถึงเรื่องเกลือเค็มไหมผมบอกว่าไม่เค็มเอาผมก็บอกว่าเค็มแล้วเขาก็ถามผมว่าเออเกลืออยู่ในปากหรือเปล่าตอนนี้ผมก็บอกว่าไม่ได้มีเกลืออยู่ในปากแล้วทําไมตอบว่าเค็มละ่ะ ผมก็บอกว่าจะมาตอบแบบนั้นตามความเชื่อเดิมๆดังนั้นเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะที่บายแลน้วเาเอารบกวนเวลาเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะเฉนะใช่นะ<ม>จะพูดเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำให้มีการต่อยอดในทางปัญญาจันก็ขออนุโมทนาพระอาจารย์พอดยมเพื่นอนแล้วเพื่อนเพื่อนกัลยาณิมิต ท, ทุกคนที่ได้ฟังในกลุ่มเรานะ ส่วนใหญ่ที่เราจะพูดกันก็ต้องอาศัยตัวมีเราเสมอนะแต่ก็ต้องอาศัยสิ่งสมมุติเพื่อเข้าสู่วิ ม, มุติงั้นเราก็จ ะ, ะไม่สามารถที่จะเป็นการสื่อสารแต่ก็ต้องสื่อสารด้วยการโดยอาศัยโดยสมมุติโดยสัจจ ะ, ะที่เราคุยกันมาได้สนทนากันมาส่วนใหญ่ที่พูดที่ยังมีตัวอุปทานมีมีตัวตนที่ยังดำรงอยู่เนี่ย จะคำว่าเรารู้เนี่ยมีตัวเราก็คือมีตัวมีตนไปรู้อะไรก็เป็นเรารู้มีเราเห็นมีเราได้ยินมีเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีเราทั้งหมดเลยคือไปหลงยึดยตัวว่ามีเราที่จะไปเข้าไปปรุงแต่งกับสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์เห็นก็เป็นเราได้ยินก็เป็นเรานั่งก็เป็นเราฟังก็เป็นเราเนี่ย ให้เป็นแบบเรื่องราวเรื่องสมมุติต่างๆและก็รวมถึงบัญญัติด้วยนะโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยเนา ะ, ะงั้นช่วงที่เราเผลอหรือช่วงที่เราหลงเนะี่ยมันจะมีเราทั้งวันเนีลยก็จะมีคําว่าเรารู้เนะี่ยก็จะเป็นลักษณะของจับผู้รู้ก็คือจิตและก็สิ่งที่ถูกรู้นะมีแต่เราตลอดเวลากนะ็เรียกว่าตัวตนเนะี่นอกจากว่าเราย้อนกลับมาดูจากคําว่าเรารู้ กลับมารู้ที่ตัวเราเนี่ยนะก็คื อ, อเราไม่มีอยู่จริงๆในขนาดเนี้ยที่ทุกคําพูดทุกภาษาทุกถ้อยคำเนี่ยมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเนี่ยรู้ขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเพียงแค่หนึ่งขนาดเดียวเนี่ยนะที่มันกําลังปรากฏทุกๆคําที่เราพูดมามี่เกิดดั บ, ดบ เ, เกิดดับเกิดจำเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปเนี่ยมัน มันไอตัวสภาวะเราเนี่ยมันต้องอยู่ในมิติของระหว่างผู้รู้คือจิตแล้วก็สิ่งที่รู้คือปัจจุบันเนี่ยล้วก็ให้เราสังเกตว่าแม้กระทั่งตัวจิตมันเข้าไปรู้ปัจจุบั น, นแล้วก็ต้องเห็นปัจจุบันดับด้บดวยนะไปพร้อมกับตัวผู้รู้เนี่ยอและรู้ขั้นที่หนึ่งกับรู้ขั้นที่สองมันคนล อ, อตัวกันเนี่ยแต่ก็ยังอาศัยตัวรู้อยู่นะแต่นี้มันมีตัวรู้ที่ว่าไม่ไม่เกิดและไม่ดับนแต่รู้อยู่ แต่ก็ไม่เอาสิ่งที่เกิดมาเป็นของตัวตัวเราเนะี่ยมันไม่มีเราเพราะมันดับไปแล้วนะที่ท่านบอกว่าไม่มีโลกนี้และไม่มีโลกหน้านะโลกนี้คือมันดับตั้งแต่ปัจจุบันแล้วนะก็ย่อมเป็นพูดที่ไม่จะดาวดิให้เกิดขึ้นในอนาคตแการนะก็คือมันดับขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ที่พุทธเจ้าบอกว่าตั้งตัวตรงนำลงสติรู้เฉพาะหน้าคือเดี๋ยวนี้นะ ถ้ามีถ้าเรายังไม่รู้เดี๋ยวนี้นะมันก็จะมีคําว่าเราตลอดเวลาแต่ถ้ามันเห็นว่าระดับตอนนี้และขนาดนี้มันจะเป็นว่ามันเราไม่มีจริงๆเพียงเพียงรัดสั้นเนี่ยมันก็จะไม่เยืดเยื้อมันมีประโยชน์มีแต่ความเงียบนะอย่างที่ท่านมหาสกปะที่เป็นพาาาระอรหันต์องค์เดียวที่ไม่ใช้คําพูดนะรู้อย่างเงียบๆแต่ก็ต้องอาศัยตัวรู้นะอันนี้ก็ลึกขึ้นไปอีกนะ นันสิ่งสำคัญอยู่ที่สัมมาสตินะสติใครไวใครมีสติไวคนนั้นก็จะรู้เท่าทั น, นตัวรู้แต่ไม่เอาตัวรู้ไปยึดกับสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นอารมณ์มาครอบงาตัวรู้อีกทีหนึ่งก็จะไม่อิสร ะ, ะก็อุปมาอุปมาณลักษณะคงเป็นอย่างเนี้มโมทน <ขอ S 1> ทัณนาครับขออนุญาตเสริมนิดนึงครับว่าปกติชีวิตประจำวันของกระผมนั่นก็คือว่าจะขับรถมากขับรถบ่อย แล้วก็เป็นครูที่ขับรถระยะทางไกลประมาณ30ิกิโลก่อนจะออกจากบ้านพอกลับก็สาสิบกิโลในขณะนั้นนะครับถ้าเราถ้าเราพิจารณาตรายลองกันดูดีๆนะครับเหมือนกับว่าเวลาถ้าเราถ้าเราจะไปโฟกัสที่จะดูข้างทางนั้นดูไม่ได้หรอกครับรถชนแน่แต่ส่วนใหญ่นี่ครับหรือว่าเราเรามองไปนอ ก, นอกข้างนอกเห็นรถต่างๆก็ก็ส่วนใหญ่ก็คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับมองมองหน้าเป็นหลักแต่ส่วนน้อยจริงๆที่จะมารู้ว่าขณะนี้กําลังนั่งอยู่ ซึ่งตรงนั้นนะครับมันมันเหมือนกับว่าเออขับรถไปด้วยแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเราที่นั่งอยู่ ร, รู้รู้ตรงนั้นแบบแนบแน่นมันก็รู้มั่งไม่รู้มั่งมันก็เห็นเห็นเห็นข้างนอกมั่งเห็นข้างในบ้างแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในในขณะที่ทํากิจวัตรประจาวันต่างๆนั้นมันก็นอกจากรู้อย่างนั้นแล้วมันบางทีมันก็มีการปวดหลังบางทีมันก็มีอาการ ง่วงบางทีมันก็มีอาการหลากหลายสารพัดสารพของมันนะครับแต่ว่าก็คือมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เสียแล้ว <c oughs> ดังนั้นนะครับตรงนี้มันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเหมือนกับว่าเป็นเป็นฝ่ายถูกรู้เสียแล้วเนี่ยครับมันก็เหมือนกับว่าชีวิตนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปพยายามทำอะไรให้เป็นเป็นเรื่องของการแบบตั้งท่าหรือว่าเออพยายามที่จะเข้าโค้หรืออะไรต่างๆห ร, หรือจะเข้า เข้าแบบเข้มหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยตั้งตั้ ง, งแบบนั้นแต่ที่ผมจะเสริมเพิ่มเติมก็คือว่าปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้รู้แบบนี้นะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเราไปทำนู่นนี่นั่นและที่สำคัญนั้นครับพอมันเกิดอะไรขึ้นมานครับเราจะเข้าใจว่าปรากฏการณ์นั้นเป็นเรื่องใหม่แปลกแล้วก็เป็นเรื่องอภินิห์เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษแต่ว่าพอมารู้อย่างนี้นะครับ รู้อย่างนี้มันกลายเป็นรู้แบบเรียบง่ายรู้แบบธรรมดาที่สุดครับปกติที่สุดไม่มีอะไรแบบพิเศษอัศจรรย์อะไรก็คือแค่รู้กับกับแค่เข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นว่าเออเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าปกตินะครับถ้าถ้าเราในชีวิตประจําวันนะครับเรามีเรื่องที่กัดกรุ้มใจมากๆหรือว่าเออเรื่องบีบคั้นทุกอย่างกังวลใจเราเหนื่อยอ่อนนะครับมันก็จะเป็นเป็นลักษณะที่เรานี่ครับ บาดเจ็บหรือว่าเราเราปวดแล้วเราเราไม่สบายทุกอย่างแต่ว่าไอ้ น, นี้มันก็แค่แค่และแค่แค่ถูกรู้แค่ถูกดูมีสิ่งหนึ่งที่ผมเคยถามน้องเพิร์นว่าเหมือนกับเมื่อวานก็มีทีมงานหรือว่าในสมาชิกในขับเขาถามว่าแล้วรู้แบบนี้มันมั่นใจหรือว่าจะถูกไม่กลัวหลงทางหรอก็เหมือนกับจะบอกว่าเออไอ้ท่านรู้เขาก็รู้ทุกอย่างอ่ะครับว่าหลงทางหรือไม่หลงทางเลยมีความมั่นใจเลยว่าเออ ก็เหมือนคนมีประสบการณ์แบบว่าเออใช้รถมือสองมานานนานใช้ของเสียมามากมายใช้ของที่มันไม่มีประสิทธิภาพมาแต่พอมาได้ขับรถเบนซ์หรือว่าเออได้ใช้ของดีจะรู้เลยว่าเอาอไอ น, นี้แหละใช่แล้วทางแล้วหรืออีกกรณีหนึ่งบางครั้งผมขับรถไปแล้วผมก็เพลินเพลินผมก็ไปไปไปหลงทางแล้วผมก็รู้ว่าอ๋อนี่มันหลงทางแล้วมันต้องพลาดก่อนนะครับมันต้องผิดก่อนแล้วมันมันหลงก่อนจึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือทาง อารมณ์โมตนาครับกว่าพี่จอมก็ขอบคุณครับก็จริงๆแล้วถ้าเรารู้จริงๆแล้วเนี่ยที่ประเด็นหัวข้อรู้ให้ถูกเนี่ยรู้ถูกตัวเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยที่ผ่านมาผมว่าว่าจะเป็นปฏิบัติก็ดีหรือว่าอาภิธรรมก็ดีนะครับส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักหรอกครับจะรู้จําสัส่วนใหญ่นะครับจําต้องว่าเป็นจําคําสอนคํากล่าวหรือว่าวิธีการปฏิบัติทั้งหลายแหล่ก็ อ, อาศัยการจํา จะรู้จำหรือรู้จักสุดท้ายก็ต้องมีจิตอยู่ดีนะครับรู้จำรู้จักรู้แจ้งที่หลวงพ่อเทียนท่านเคยกล่าวไว้เนี่ยก็ต้องมีจิตถ้าไม่มีจิตจะได้ยังไงใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่านี่เนี่ในช่างผู้บุเกเรือนเรารู้จักเจ้าเสดแล้วคาว่าเรารู้จักเนี่ยมันก็เหมือนคำขอที่หลวงพ่อคําว่าเรารู้จักเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าแล้วใครไปรู้ล่ะผมบอกว่าจิตไปรู้นะแท็มันก็แท้ไงมันทาไมบอกว่าเรารู้ มันก็คือง่ายๆคือเรารู้จักนะคือเราไปรู้เองรู้ว่าเป็นตัวเราแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของการที่จะเข้าใจเนี่ยมันก็เหมือนข้าคนเรารู้จัก่ะยกตัวอย่างเนาะอย่างคนใต้เนี่ยเขาใส่สร่งนะเขาใส่สลงอ่าเขารู้จัก น, นี่สลงไม่ใช่ผระถุงนะครับบางทีถึงว่ารีบไปทุระไปทุระอะไรก็ช่างรีบๆไปเนี่ยใส่สลงกล่าวว่เอาใส่สลงกับไปใส่ผ้าถุงเมียามาพอมาหามาดูเอาไม่ใช่นี่ ก็รีบถอนก็ใส่ใส่เป็นสโลงเปลี่ยนเป็นใส่สโลง่งนี่แหละครับแล้วใครใครไปรู้ว่าใส่สโลง่งเขใส่ผ้ถุงก็คือจิตใช่ไหมครับผมก็ผู้รู้จะรู้หมดเลยครับเพราะนั้นผู้รู้เนี่ยขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยคําว่าผมพูดอยู่เนี่ยก็มีผู้รู้ก็รู้อยู่ดีนะครับเป็นภาษาสมมติภาษาสมมุติหรือภาษาประชาระทางธรรมที่เขาว่าเป็นปรลวัตเขาก็รู้ดีนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตอย่างว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารู้จักเนี่ยครับเขาจะไม่มีบรรลุใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเสียงของผมเนี่ยบอกเป็นเสียงของเพื่อนจะบอกเป็นเสียงของอาจารย์ออสทุกคนเชื่อไหมครับไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะรู้จักเอาแล้วใครบอกใครบอกให้เรารู้จักว่าอันนี้เป็นเสียงแยกแยะว่าอันนี้เสียงของใครของใครใช่ไหมครับอย่างหลง ทางพี่จอมท่นพลอยหรือว่าตากว้างหรือว่าลวงหลว ง, งตากเกษมเนี่ยเสียงแค่เรารู้จักถ้าไม่มีปรากฏให้เรารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าไม่ปรากฏให้เกิดก็รู้ไม่ได้ต้องรู้ก่อนแต่ถ้ารู้ปุ๊บสิ่งที่ปรากฏนั้นถูกรู้ปั๊บมันก็จักรกายที่เป็นเราเป็นผูร้รู้ก็ลิสลาออกมาขณะที่เราคุยกันอยู่ในขณะนี้ครับ มันก็จะมีความคิดปรุงแต่งสลับกันเช่นมีความคิดเรื่องของพวกนี้ผมจะไปทํางานพรุนี้เดี๋ยวต้องไปสอนหนังสือพรุ่งนี้ต้องบินธรรบาตรหรือสักพักเราก็ต้องจะไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวบวงทีกำลังฟังศาสนาธรรมอยู่บางคนปิดเสียงปีดเสียงลูกเล่นโทรศัพท์ม้างเด็ดอะไรม้างบางทีกังวลและอย่างนี้ทำไมปรุอธิบายสาธยายให้หมดถ้าไม่มีผู้รู้ใช่ไหมครับแต่เราลืมไปว่าบางทีนะ่ะ รู้บ้างเผยบ้างบาดทีในช่างผู้สร้างเรียนเนี่ยปลูกเรือเนี่ยเขาปลูกเราไปเรืเ่อยๆที่เราไม่รู้ไอ้โครงเรือนทั้งหมดที่หักเสียได้แล้วคืออะไรมันก็คือขันห้านะครับก็คือจิตใจรู้มันเองคําว่าหักได้เสียแล้วเนี่ยก็คืออะไรคือไม่ได้ไปต่อแต่งเติมไม่ภาคไม่วิจารณ์แค่ถอยออกมาดูเรือนของมันเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปก็คือมันดับไป ขนาดนี้ขนาดนี้ขณะขนาดจิตหรือทันสมัยแต่ขนาดขนาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอดีตหรืออน า, อนาคตขนาดนี้ที่มันกําลังหักครับตัว น, นี้นครับและอีกอย่างหนึง่งเขาว่ายอดเรือนเราก็ก็ลือสิ้นเสียแล้วผมผมศึกษาธรรมะบ้านธรรมะ ม, มาเนี่ยหรือพิมา20ปีเนะี่ยมันก็รู้อย่างเงี้ยว่ามีเราไปรู้แต่เราไม่รู้นึกภาพนะครับว่าคิ้นเสาธงที่โรงเรียนไหมฮะก็จะมีเชือกใช่ไหมฮะ เหมือนงูกินหางที่พี่เมาาื่อวานเขาเล่าให้ฟังตัวเชื่อเหมือนงูกินหางครับเวลาธงชาติชับขึ้นไปถึงสุดเสร็จแล้วก็ลงมาแต่มันไม่ถึงสุดยอดมันไม่ไม่พ้นไม่เหนือโลกไง ม, มันยังมีเ ส, สมมุติยังมีชื่อเรื่องราวมีตัวเราไปรู้อยู่แต่หลวงพ่อออสเหมือนก็ให้บอกว่าไอดูดีๆนะที่สุดของยอดก็คือลัดนิ้วมือเดียวคือปลายของมันไม่มีอะไรเลยนะเพราะนั้นผมไม่แปลกใจเลยว่าเราทุกคนเกิดมาอย่างไร เกิดจากความว่างเพราะในมีไม่มีใช่ไหมก่อนมีเสียงมีเสียงหรือเปล่าก่อนที่ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยมีคิดหรือเปล่าบางคนอาจจะมีคิดแต่อาจจะมีเห็นขนาดเนี้ยก่อนเห็นเห็ น, นมันก็จะเป็นลักษณะมีเกิดขึ้ขนตั้งอยู่ต่อไปผมมีความเห็นเท่านี้ครับ